สประวัติวาน2นิโรโทวานหนึ่งปัจจุปันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลจักขายัตนาโมลกนาหนึ่งอนุโลมปุชชจฉาจักขายัตนาของบุคคลใดกําลังดับโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักกูเกิดได้ โสตเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่โสตายัตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขู่และโสตเกิดได้กาลังจิติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและโสตายัตนะก็กาลังดับปติลมปุจชาโสตายัตนาของบุคคลใดกำลังดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้มีโสตเกิดได้จักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่<ต> e จักหายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีโสตและจักขู่เกิดได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจักหายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักหายตนะของบุคคลใดกำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจักรายยานะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักรูและคานะเกิดได้กำลังจุติจักขายยานะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและขาดนายตนะก็กำลังดับปฏิโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดกำลังดับจกขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จะกูเกิดไม่ได้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่จะขายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีคานะและจะกูเกิดได้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจะขายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉา จักระยตนะของบุคคลใดกําลังดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดกําลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดได้จะขู่เกิดไม่ได้กําลังจุติรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับ แต่จักหายาตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจักกูเกิดได้กําลังจุติรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและจักหายาตนะก็กําลังดับอนุโลมปุจฉาจักหายาตนะของบุคคลใดกําลังดับมนายาตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายาตนะของบุคคลใดกําลังดับจักหายาตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จะครูเกิดไม่ได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักครูเกิดได้กำลังจุตติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจักขายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่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 คานายตนามูลกในหนึอยยี่สิบอนุลมุตฉาคานายตนาของบุคคลใดกำลังดับรูปลายตนาของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉารูปลายตนาของบุคคลใดกำลังดับคานายตนาของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กดำลังจุตติ รูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและคานายตนาก็กําลังดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกําลังดับมนายตนะของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา มนายัตนะของบุคคลใดกําลังดับคานายัตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชณาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กําลังจุติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่คานายัตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังจุติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและคานายัตนะก็กําลังดับอนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดกําลังดับธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดกําลังดับคานายตนะของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังดับ บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและคานายตนะก็กำลังดับคานายตนะมูลกไัยจบรูปายตนะมูลกไัยหนึ่งอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกำลังดับมานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิตัชนา บุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจิติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั no ้นกำลังดับแต่มนายัตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปและจิตเกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมนายัตนะก็กำลังดับปฏิโรมปุจฉามนายัตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจชะนา บุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุตติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปและจิตเกิดได้กำลังจุตติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและรูปายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกำลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหม วิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดกําลังดับรูปายตนาของบุคลบบคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กําลังจุติ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่าน si ั้นกําลังดับและรูปายตนะก็กําลังดับรูปายตนะมูลกไณไนจบมนายตนะมูลกัณไนหนึ่งอนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ก ER ําลังดับใช่ไหมวิตัิชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดกําลังดับ มนายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจติชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่มนายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและมนายตนะก็กําลังดับมนายตนะมูลกนัยจบอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนั 124อนุโลมปุจฉาจากขายยตนะในภูมิใดกําลังดับละอนุโลมปุกโลกจาจะขายยตนามูลกในหนึ่งอนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับโสตายยตนาของบุคคลนั้นในปูมนั้นก็กําลังดับใช่ไหมและคานายตนาละ รูปายตนะละมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับใช่ไหมคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใดในภูมิใดซึ่งเหมือนกันพึงขยายให้พิศดารปัจจินีกับบุคคลจะขายตนะมูลกไหนาึอยยอนุโลมปุจฉาจากขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้น ก็ไม่ใช่กําลังดับ cooker, ใช่ไหมพิจารนาบุคคลผู้มีจ้ากูเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้กําลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่โสตายัตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจ้ากูและโสตะเกิดไม่ได้กําลังจุติจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและโสตายัตนะก็ไม่ใช่กําลังดับ ปฏิโลมปุจฉาโ ส, สตายยตนาของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีโสตะเกิดไม่ได้จักขู่เกิดได้กําลังจุติโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่จักหายตนามิใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมด <Xue. S 2> ผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีโสตะและจักขู่เกิดไม่ได้ ก, กําลังจุติ โสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจักข า, ขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้คานะเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของ <phone Jadi LS> บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่คานายตนะมิใช่ไม่กาลังดับ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักูและคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและคานายัตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโรมปุจฉาคานยายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้จักู้เกิดได้กาลังจุติ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่จักขายาตนะมิใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะและจักขู่เกิดไม่ได้กําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและจักขายาตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมพิจชนา บุคคลผู้มีจักรกูเกิดไม่ได้รูปเกิดได้กำลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายัตนะมีใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปายัตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุชารูปายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับ จักระยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักระยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กําลังจิติจักระยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มนายตนะมิไม่ใช่ไม่กําลังดับ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติจนะักขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายตนาก็ ين, ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉามนายตนาของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจักขายยตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจชชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กาลังดับ ธรรมายาตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมพิจาชนาบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดไม่ได้กําลังจุติจักขายาตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ธรรมายาตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและธรรมายาตนะก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายาตนาของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับ จ, จัจกขายัตนะของบุคลบบคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขายัตนะมูลกในัยจบคานายัตนะมูลกะนัยนึอยยอนุโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับรูปลายัตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนา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 คานายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมานายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กําลังจุติคานายาตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มานายาตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ และบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและมนายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหม วิจัดชนาะบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติคานายตน ะ, ะ, ะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับ คานายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่คานายตนะมูลกานายัยจบรูปายตนะมูลกนัยหนึ ược, อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมนายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคล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 วิจัชนาะใช่รูปายตนามูลกะนในจบมนายตนามูลกนันในหนอยยี่อนุโลมปุจฉามนายตนาของบุคคลเหล่าใดไม่ใช่กําลังดับธรรมายตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติมนายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับ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 อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับละปัจจณีกับปุคโลกาจักขายตนะมูลกในหนึอยสามอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมละ คำที่ท่านกล่าวว่าบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกับคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใดสองอติตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกไหน132อนุโลมปุชชจฉาจักขายตนะของบุคคลใดเคยดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัตชนา ใช่ในอุปาทวานในนิโรทวานอุปาธานิโรทวานอตีตปุจชาเหมือนกันทั้งอนุโลมและปฏิโลม